ตีตัวนีป้ป๊อเนี่ยตีอยู่ก็จบมันไม่ดังตีตัวนีป้ป๊อก็จบตีตัวนีป้ป๊อก็จบแต่ตัวนีป้ป๊อทําันไม่จบนี่คือความตา่างความคิดบางคนคิดมแล้วก็จบความคิดบางเรื่องคิดบางเรื่องคิด完了ไม่จบเพราะมีตัวฐานะประธานตัวที่มันมีความละเอียดของฐานะประธานในตัวมันเ น, นีพอเกิดขึ้นมันก็จบช้านะเขาไม่เห็นอย่างนีป้ป๊ออ๋อก็รู้วิธีการนะที่จะมาให้ความ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 เขาเป็นผู้เจ้าเอาเจ้าไปบวกเพื่อให้เพื่อให้เจ้าดีอยู่คงอยูนะ่จะคือเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่แหละศาสนาของพุทธทีนี้พววารู้ตื่นเบิกบานมีมีทุกคนก็มีเพียงแต่ว่ามันตื่นน้อยมันรู้น้อยอยู่มันเบิกบานน้อยอยู่เราก็มาทำให้มันเกิดรู้เยอะขึ้ น, นเสียงใหม่ ใช่ไหมมันรู้น้อยนอยอยู่เราก็มาทำความเพียเรื่อยๆทําเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นนะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นศาสนาธรรมและในตัวนี้เองท่านบอกว่าในรูปนามเนี่ยมันมีโลกรูปโลกนามโลกเราก็มีท่านก็มีรูปทุกนามทุกก็มีเหมือนกัน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 เรามาศึกษาตามกฎที่พุทยาจาทรงแสดงว่าต้องปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาต้องศึกษาในศีลสีสิปัญญาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกฎของไตรลักษ์ให้เป็นกฎของไตรสิกขาแล้วก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ด้วยลักษณะอย่างนี้นะเพระนั้นมาเป็นอย่างนี้เราก็เลยมาทาที่ต้นเหตุของมันมาทาตัว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 อาธิโภมจันต์แต่เป็นศีลโภมจันต์เป็นศีลตัวโภมจันต์รรทีเดียวนะคือขานชำระจิตแตน่นนี่คือหลักที่งพ่อเทียนท่านกล่าวมากล่าวโดยสรุปออกมาลักษณะอย่างนี้นะก็เห็นว่าเป็นกฎของสศรธรรมแต่เราไปทำแล้ววันนี้เรารู้สึกได้ถึงความโปรติของร่างกายเป็นอย่างไร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 มายหลายรูปแบบแต่ถ้าเราบอกว่าไฟไม่ดีเราดับมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาใช้ภาษาที่ไม่ถูกเยอะต้องดับทุกต้องหนีทุกต้องพ้นทุกอะไรใช้ภาษาไม่ถูกแต่พระริจารบอกทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกต้องแก้ไขทุกต้องดัดแปลงทุกต้องอาตามรู้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 คือความรู้สึกทางกายความรู้สึกสวยอารมณ์ก็เรียกนความรู้สึกที่เป็นไปในกายก็เรียกความเที่เป็นไปในใจก็เรียกความรู้สึกสวยอารมณ์เวทนาแปลว่าสวยแปลว่ากินอารมณ์นะร่างกายเราอ่ารู้สึกเบาก็เลยเราก็กินสุขแปลว่าสุขเวทนาร่างกายเราหนักก็เรากินทุกข์กินไม่สบายก็เลยทุกขเวทนา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 นามรูปนี่เป็นสมมติแต่รูปนามนี่เป็นปรามัตินั้นจึงให้รู้รูปนามถ้ารู้นามรูปเป็นสมมติแต่ถ้าเป็นรู้นามเป็นปรามัิรู้รูปก็เป็นปรมัดรูรูปนามก็ยังเป็นปรามัดอยู่คือรู้สภาวะที่มันเป็นเป็นจริงเ่ยแต่ว่าในส่วนที่เป็นนามรูปนี่มัน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 ค่อยถ้าคิดภาาสาันต์นี่คือนามรูปไม่ใช่ไม่ใช่นามรูปเราเป็นเป็นกิเลสเลยแหละสารต์สารตั้ง <Investment> ส, ส, ส, ส, สารตั้งต้นมันคือนามรูปสารตั้งต้นมันคือนามรูปเราคิดต่อเ้าเป็นอวิชชาตันเทาประธานเลยแหละแล้วถาสมมติเราคิดรูปแล้วมันมีสติมันหยุดทันระดับตรงี้มันมันอยู่ตร น, นอาาจักรมันกลายมาเป็นนามเฉยๆรูปหายไปอ่า